ท่านสาธุชนพุทธบริษัทท์งหลาย <c oughs> และลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาคุยกันในเรื่องของพระมหาชนกต่อไปสำหรับวันนี้จบแน่รเรื่องมีน้อยนิดเดียวเป็นอันว่าวันที่แล้วพระมหาชนกเห็นในช่างสอน เขหลาวลูกศอนแล้วก็ไปลนไฟลนไฟแล้วก็ทาน้ําข้าวแล้วก็ดัดดัดแล้วก็เลงเลงแล้วท่านยินดีถามเขาว่าในช่างสอนทาไมท่าต้องหลับตาเวลาเลงทําไมต้องหลับตาหนึ่งข้างอี่ในช่างสอนก็ตอบว่าข้าแต่สมณะถ้าเล็งได้ตาทั้งสองข้างแล้วดูมันพลาไป มองไม่เห็นว่าตรงไหนคดตรงไหนตรงถ้าหลับตาเสข้างหนึ่งก็ยังรู้ว่าตรงไหนมันคดถ้าตรงไหนมันตรงแล้วก็ดัดให้มันตรงได้ตามความประสงค์เขากล่าวต่อไปว่าข่าแต่สมณนะพระสมณะก็เหมือนกันข่าแต่สมณะก็เหมือนคนสองคนที่ไปดีกันไม่อยู่ดีกัน ก็ยังมีแต่ความขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านแต่ถ้าท่านสวนะถ้าท่านประสงค์จะไปทางที่ชอบที่คนแล้วก็จงไปแต่ผู้เดียวเถิดเป็นอันว่าพระมหาชนกตัสถามพระนางศีวลีว่าเธอ ได้ยินถ้อยคำที่ในาช่างสอนผู้ทเปล่าในเช่างสอนเป็นแต่เพียงบุคคลธรรมดาก็ยังจะพูดจะมีคติถ้ากระไรเราท่องสองก็คนจะแยกกันเถอดแต่ตอนนี้ก็น่าหนักใจนะโรหลานที่รัก คนหนึ่งยังรักยังมีความผูกพันที่คนหนึ่งอยากจะคิดจากกั น, นเรื่องความผูกพันของจิตใจในี่มันตัดยากทั้งนี้เรื่องของท่านเราฟังกันต่อไปอนางศิวรีนี่กราบถุนในความน้อยพระทัยอย่างยิ่งว่าตั้งแต่นี้ไปเป็นนั้นว่าหมดวาสนามบารมี ที่หมอ่อมฉันกับพระองค์จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะแต่แล้วท่านั้นพนางก็ถึงกวีสัญญีภาพลม้มลงคําว่าวิสัญญีภาพนี่แปลว่าสลบเสี ย, ยใจถึงกับสลบสําหรับพระมหาเจ้ น, นกทรงทราบว่าพนางศิวลีถึงกวีสัญญีก็รีบสาวพระบาทเข้าป่าไป แม่ตอนนี้ดูดูกำลังใจใคล้ายๆกับว่าพระมหาชนกไปใจดำได้เกิดนะไม่สงสารเมียบังเลยแต่ว่านั่นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีความณ์เข้มแข็งในราการหนึ่งพระองค์ก็มีความเห็นว่าถ้าอยู่ในการสองคน ถ้าสนใจพ น, นางศิวฤีพ น, นางศิวฤทีจเจ้าดีไม่ได้ในวันหน้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระมหาชนกนี่เป็นคนมีปัญญามากมีความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเรายังจะเอาใจพ น, นาศิวฤีอยู่พ น, นางศิวฤีซึ่งเป็นปัญญานี้ก็จะมีผูกพันในร่างกายคือไม่คิดว่าวันหน้าจะต้องตาย ใ่คนเราที่ตายลงไปแล้วนี่ลูกหลานที่รักมันมีสภาพไม่สูญแต่ก็บอกว่าถ้ามีสภาพไม่สูญไปเกิดเ ป, ป็นน่นเป็นนี่รู้ได้ยังไงอันนี้ลูกหลานหลวงปู่จะบอกให้เวลานี้เด็กๆตัวเล็กๆอย่างหลานชายของท่านพลโททนทอสวรรทัตสองคน คนหนึ่งอายุเจ็ดปีอี่คนหนึ่งอายุสิบปีเธอไปฝึกสมาธิกับหลวงปู่พลเพียงไม่กี่วันเธอก็สามารถจะได้ทิประจุภูยานและก็สามารถระลึกชาติได้สิ่งของที่งหลเขาเก็บไว้ในที่ลับม่ามีอะไรบ้างเธอสามารถจะบอกได้ตรงทุกอย่าง หลักสูตรอย่างนี้มีในพระพุทธศาสนาะว่าถ้าลูกหลานทุกคนสามารถฝึกหลักสูตรอย่างนี้ได้สามารถทําได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ที่เขาศึกษากันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกินวิสัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องการจะรู้อะไรเ้าก็รู้ได้หมด วิชาความรู้ทุกอย่างที่จะศึกษาไม่มีอะไรา ย, ยากถ้าเราจะคิดว่าเราไม่รักษามันญากสันิดหนึ่งเวลาที่ครูจะออกข้อสอบข้อสอบที่ครูออกข้อสอบว่าอย่างไรเราขมโมยดูก่อนได้วิธีขมโมยดูก็ไม่ต้องไปเปิดดูแล้วนอนที่บ้านเรา ทำใจเป็นให้สบายนิดหนึ่งที่เขาเรียกกรรสมาธิคือตั้งอารมณ์ให้ดีแล้วก็อยากจะรู้ว่าครูบาอาจารย์ออกปัญหาคำถามข้อสอบว่าอย่างไรเรารู้ได้ทันทีเมื่อรู้แล้วเราก็จะรู้คำถามเข้ามาทันทีเหมือนกันแล้วคำตอบเขามาทันทีเหมือนกันว่าถ้าเข้าสอบออกมาอย่างนี้เราตอบอย่างไรมันจะถูก ทางนี้พรออารมใจเป็นทิพย์แล้วก็มีเด็กหญิงนี่คนหนึ่งอายุเจ็ดปีอยู่ในคุงเทพเหมือนกันมีดาของเธอแนะนำเธอบอกว่าเวลานอนนะขอให้ลูกภาวนาว่าพุโทโธถักสามคำนะจ๊ะเธอก็ว่าพุโทโธพุโทโธสามคำแล้วก็นอนนอนแล้วเธอจะนึกต่อไปหรือไม่นึกวีดามดีว่า บินดาแนะนำอย่างนี้มาไม่ไ ม, ไม่กี่วันนักคนหนึ่งท่านบินดาคิดว่าลูกสาวหลับเวลาลูกสาวท่านหลับลนะท่านก็ น, นั่งสมาธิภาวนาวัคคตโธให้ใจเข้านึกว่าคุทะยอยออกนวกัคโธวันนั้นบังเอิญลูกสาวไม่หลับลูกสาวเห็นพ่อนั่งขัดสมาธินั่งหน้าพระพุทธรูป แปลใจเย็นลุกถามมาคุณพ่อทำอะไรคุณพ่อก็บอกว่าพ่อทำสมาธิลูกเธอถามว่าทำสมาธิทำทำไมคุณพ่อก็บอกว่าทำให้ใจสบายที่พ่อไม่โกรธลูกเวลาที่ลูกทาผิดพ่อไม่ดุลูกจะชบ้างเขาพ่อไม่ด่าลูกก็เพราะพ่อทำสมาธิ ถ้าพ่อไม่มีสมาธิอย่างเขาแล้วก็พ่อคงดุลูกคงด่าลูกคงตีลูกวันหลายครั้งและอาจจะเป็นหลายๆวันครั้งแล้วลูกอาจจะโถดุพ่อพ่อดุพ่อว่าทุกวันก็ได้นี่ที่ลูกเห็นว่าพ่อใจดีเขาพ่อทําสมาธิจิตของพ่อสบายเมื่อจิตพ่อสบายถึงแม้ว่าลูกจะทําอะไรผิดไปบ้างพ่อก็พูดกับลูกในเหตุในผล พ่อไม่เป็นคนบู้วามไม่ดุว่าไม่ดุไม่ดา่าไม่ว่าไม่ตีมาเชาบ้านเขาลูกพ่อจะเห็นได้ไหมว่าคนข้างๆบ้านน่ะที่ก็โตเท่าลกูกแล้วก็เล็กกว่า ล, ลูกหรือวัหรือว่าเขาโตกว่าลกูกที่ถูกพ่อเขาดา่าแม่เขาดา่าเขาว่าเขาบนได้ยินไหมลูกสาวก็บอกว่าเห็น แล้วพ่อก็ถามว่าแล้วลูกเคยถูกพ่อด่าเพราะว่ามันเขาไหมเวลาที่ลูกทำความผิดที่ว่ามันไม่ดีพ่อไม่เคยตีลกูกพ่อไม่เคยด่าลกูกพ่อเคยพูดแต่ลูกดีๆให้ลูกเข้าใจใช่ไหมลูกสาวก็ตอบว่าใช่แล้วเธอจะได้ถามว่าทํามสมาธิในใจสบายหรือคุณพ่อ คุณพ่อก็บอกว่าใจสบายมากลูกใจมันเย็นจิตมันเป็นสุขพ่อไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์เราไม่ ร, ำร่ำรวยมันก็คนข้างบ้านแต่บ้านเราบ้านของเรานี่ก็ไม่เคยขาดแคลนพ่อมีไรายได้น้อยเช่นว่าบ้านของเราเล็กกว่าบ้านเขาไรายได้ของเราน้อยกว่าเขา แต่ลูกก็ไม่เคยอดไม่เคยอยากลูกอยากได้อะไรถ้าไม่เคินวิสัยของพ่อพ่อก็หาให้ได้บ้านเราไม่เคยเป็นหนี้เป็นสิงไขราะหนึ่งพ่อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อมีแต่เมตตาจิตรายการนี้สองพ่อไม่เคยลักไม่เคยขโ ม, มยไข่พ่อก็ไม่ถูกตำรวจจับจะเข้าคุกเข้าตาราง เรื่การศึกษาพ่อไม่เจาชู้แม่ของลูกจะไม่บนไม่ว่าพ่อลูกจะไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเลยใช่ไหมเอเขาตอบว่าใช่แล้วพ่อก็พูดต่อไปว่าพ่อพ่อไม่โกหกแม่พ่อไม่โกหกคนอื่นฉะันชาวบ้านเขายงมีการเชื่อฟังพ่อพ่อพูดอะไรก็มีคนเขาชอบใจไม่มีใครเ้าเก็บพ่อในด้านวาจา ในราการนี้ห้าพ่อไม่ดื่มสุรามีไรลูกเคยเห็นพ่อเดิมเด่มดื่มเล่าไหม <l ots> เธอก็ตอบว่าพ่อไม่เคยเดื่มลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อก็บอกว่าพระเหตุ น, นี่แหละลูกพราพ่อมีข้อวัดปฏิบัติห้าราการนี้เป็นประจําใจแล้วพ่อก็สร้างกําลังใจจังใจอย่างหนึ่งให้ความดีห้าอย่างนี่มันส่งตัว นั่นก็คือทำสมาธิเพราะอาศัยสมาธินี่แหละพ่อจึงมีเป็นคนไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดตดไม่พูดปดไม่เป็นคนหมดสติหมายความว่าพ่อทรงอยู่ในความดีตามความดีที่พ่อจะบพ่งทำได้แต่ความดีที่พ่อได้นี้มันยังไม่ดีที่สุดความดีที่สุดมันดีมากไปกว่านี้ โูกสาวว่าถามว่าความดีที่สุดเป็นยังไงคุณพ่อก็บอกว่าถ้าความดีถึงที่สุดอย่างเราเรานะยังยั ง, ย, งยังไม่ใช่พระพุทธ เ, เจ้าไม่ถึงพระอรหันต์แล้วก็สามารถจะได้ทิพย์บิคุญานหรือว่ามาโนมยิทธิคือมีดิพยทางใจคำว่าทิพย์บิคุญานนี่เวลานึกถึงอะไรเราจะรู้ได้ทุกอย่าง อย่างของไม่หีบในห่อนี่ที่เขาปกปิดไว้ถ้าเราอยากเยรู้ว่าเป็นอะไรเมื่อไหเราก็รู้ได้เมื่อคนตายไปแล้วเกิดแล้วไม่เกิดเราก็รู้ก็ที่ดีถ้าเกิดที่ชัว่วเราก็รู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เคยมิจฉาที่อรยรู้ของที่อยู่ใต้ดินใต้น้ําใต้ทะเลเราต้องการเยรู้โดยไม่ต้องขุดเราก็รู้ได้ เป็นอันวลุกสาวสนใจแล้วถามต่อไปแล้วก็มีอะไรอีกคุณพ่อก็บอกว่าเราอยากจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมแถ้าคนนี้ไปสวรรค์เพราะอะไรสวรรค์ก็สวยสดชุดงามยังไงเทวดาสวยไหมนางฟ้าสวยไหมสัตวนรกําบากยังไงถ้าวารู้ได้ ลูกสาวถามลูกสาถามว่ารู้ได้เพราะอะไรเ<ม>พราะอะไรคุณพ่อก็บอกว่ารู้ได้เพราะทำสมาธิสิลูลูกสาถามว่าเวลานี้พ่อได้แล้วหรือย่างคุณพ่อก็บอกมันก็ได้มั่งลกูกก็ได้ไม่มากลูกสาถามว่าได้ยังไบงบอกว่าดีเวลาที่พ่อนั่งสมาธิบางทีพ่อเห็นภาพไปสวย บางทีก็เป็นภาพนางฟ้าล อ, อยมาบางทีก็เป็นภาพเทวดาบางคราวก็เป็นภาพแสนสว่างบางทีก็เป็นภาพวิมานบางทีก็เป็นภาพของคนตายที่มีความทุกข์มาขอสนบุญลูกสาวฟังแล้วก็สนใจอย่าลืมว่าเธอเมยุเป็นแค่เจ็ดปีเธอยังถามว่าถ้าความดีอย่างนี้คนอย่างลูกจะทำได้ไหม คุณพ่อก็บอกว่าทำได้ลลกถ้าลูกตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ลูกจะได้ตามนี้แต่ความจริงเนี่ยเนื้อแท้จริงๆคุณพ่อได้แค่เป็นแค่อุปจารสมาธิคาว่าอุปจารสมาธินี่นความจริงเขาเรียกว่าจิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ว่ามันเป็นไม่นานมันทรงอยู่ได้ไม่นานเห็นได้แวบเดียวก็หายไป ลูกถามว่าคุณกลับคุณพ่อตอบไปว่าถ้าลูกจะทําลูกจะทํำยังไงคุณพ่อก็บอกว่านั่งอย่างพ่อนี่จะนั่งคาถามัยก็ได้จะนั่งพับเพียบก็ได้แต่ก่อนที่จะนั่งก็ไหว้พระเสีก่อนแล้วคุณพ่อก็สอนให้ลูกไหว้พระให้ว่านามโมโ ต, นโตัสสะพระวัตโตอนหาโตสัมมาสัพพตัสสะ พระพุทธทางสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสนังกระฉามิขอถึงว่าธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสนังกระฉามิขอถึงว่าสงเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นพ่อก็นแนะนําให้ลูกนั่งลูกนั่งพิงฝาจะได้ไม่ไปจะได้ไม่เมื่อย แย่พเพียกไปได้ขัดคำหมาก็ได้ลูกสาวก็ทําตามให้คณพ่อสั่งเมื่อลงคุณพ่อก็เลยทําสมาธิลูกสาวก็ทํามั่งทํำว่าทำยังไงคุณพ่อบอกว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพจนรกนะเวลาให้ใจออกนึกว่าโทปรากฏว่าลูกสาวทําเพียงแค่ห้านาทีเท่านอน ท่านคุณพ่อก็คิดว่าลูกสาวนอนหลับก็นั่งสมาธิไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านวะว่าพุทธให้ใจออกนกวะว่าโทประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณพ่อก็เลิกเลิกแล้วคุณพ่อเนี่ยคิดว่าคุณคุณลูกสาวหลับพอคุณพ่อเลิกลูกสาวก็รูค้คนมาบอกว่าคุณพ่อเมื่อกี้นี่หนูนั่งไป ภาวนาตามที่คุณพ่อว่ามีพระองค์หนึ่งท่านมาถึงก็ชวนหนูไปเที่ยวหนูก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆไปเที่ยวสวรรค์แม่สวยจริงๆเธอพูดถูกต้องทุกอย่างนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ทําสมาธิมันพอ่อทํานิดหน่อยแล้วเธอก็ น, นอนบางทีเธอก็นอนทำตอนเช้าเธอก็เล่ากับคุณพ่อทุกอย่าง ว่าไปพบนั่นมาพบนี่มาแล้วก็บางทีใครจะมาบ้านลูกสาวก็บอกพ่อแต่เช้าบอกคุณพ่อวันนี้คนนั้นเขาจะมาคนนั้นคนนีนจ้จะมาจะมาธุระอะไรมาดีแล้วมาไม่ดีเขาลูกสาวก็บอกพ่อทุกวันเป็นว่าลูกสาวทํำมาเดี๋ยวเดียวเพราะความเป็นเด็กลูกสาวได้ดีกว่าพ่อลูกหลานที่รัก แต่ความจริงเด็กเนี่ยสามารถทําสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กไม่มีกังวล ม, มากเด็กก็มีภาระอยู่เพียงว่าจะต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นเรื่องขบิดามารดาที่จะหาให้ไม่มีความกังวลเห็นท่านบรรดาลูกหลานทุกคนอยากจะทําก็ลองทําดูได้ ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นจากรกลมันก็เด็กสามคนที่ว่ามาสำหรับหนูน้อยคนที่ว่ามานี่เป็นผู้หญิงเวลาครูออกข้อสอบเธอก็บอกกับคุณพ่อว่าวันนี้หนูจะไปสอบครูออกข้อสอบว่าอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าพ่อถามว่าแล้วก็หนูรู้ไหมล่ะรู้รู้ไหมพ่อจะต้องตอบว่าอย่างไรนูสาก็บอกว่าหนูก็รู้ บอกว่าข้อสอบข้อนี้ย่ต้องตอบแบบนั้นข้อสอบข้อนี้ย่าต้องตอบแบบนั้นพ่อก็บสบายใจนี่ก็ดีใจที่เห็นลูกสาวมีความเข้าใจในข้อสอบเนี่นนลูกหลานที่รักการฝึกสมาธิเป็นของดีการตายแล้วไม่โูนจะต้องมีความสุขจะต้องมีความทุกข์ร่ำหน้าความดีและความไม่ดีความดีที่เขาเรียกว่าบุญ ความไม่ดีที่เขาเรียกว่าบาปมันมีเป็นมาเป็นของจริงไม่ใช่ของประดมปรราเวลานี้ยเด็กๆทากันได้มากทั่งทั้งเด็กนักเรียนนักเรียนขั้นมัธยมที่เขาทากันได้มากก็ทํากันได้หลายคนเขาทํากันได้ดีถ้าว่าใครก็ถามว่าตายแล้วเกิดไหมหนูรับปากก็ได้เลยว่าตายแล้วต้องเกิด จะไปเกิดเป็นอะไรก็เพราะความดีและความเลวที่เราทําในเมืองมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์เลวเวลาเกิดแล้วก็เกิดมีความทุกข์ถ้าเราเป็นมนุษย์ดีเราเกิดแล้วก็เกิดมีความสุขวันนี้จะหมดเวลาสิคะแล้วจะบอกกระถามอาสน์สำเนาลูกหลานจะมีโอกาสหรือไม่ก็ไม่ทราบถ้าไม่มีโอกาสถ้าเรื่องนี้จบหลวงปู่ก็จะนํา จะไปพูดในเรื่องของสวรรณสามเรื่งต่อจากนี้ไปตอนนี้ก็มาคุยกันต่อไปของเรื่องของพระนางศิวลีกับพระมหาชนกพ่าเวลาเลยประมาณแปนาทีเป็นอนุภาพ ร, ราชามหาชนกทรงทราบว่าพระนางศิวลีถึงกับวิสัญญีคือสลบก็สาบพระบายเข้าป่า ทางนี้ก็ต้องการให้พนางศิวลีได้ดีตามที่หลวงปู่ว่ามาเพราะว่าถ้าพนางศิวลีไม่มีความกังวลตัดความรักในพระองค์ได้แล้วก็สามารถจะทำความดีได้บรรดาผู้อ า, าวุสข้าราชารบริหาร ท, ทั้งหลายต่างก็พากันพยาบาลพ่านนานจงทั้งพนางศิวลีฟื้นคืนสติขึ้นมา พระนางจึงได้ถามว่าเวลานี้พระราชาสวามีของเราสเสด็จไปไหนบรรดาพวกท่านจงเที่ยวตามดูทีหรือว่าพระองค์อยู่ที่ไหนบรรดามาดร้ายสาวกทั้งหลายก็พากันวิ่งไปทางโน้นบ้างวิ่งไปทางนี้บ้างก็ไม่พบพระมหาชนกกลับมาทูลพระนางสิวารีให้ทรงทราบว่าเวลานี้ไม่พบพระเจ้าข่า พ น, นังก็เสียใจร้องไห้ก็ได้ว่าอาศัยความรักในพระมหาชนกมีมากจึงได้สั่งให้สร้างเจ ด, ดีย์ที่พระมหาชนกประทับยืนต่อกับพ น, นงังและวพ น, นางก็บูชาได้ของหอมแะดอกไม้มีความจริงพ น, นางชิวลีนี่ก็เป็นคนดีมาก เป็นคนมีความรักมีความกตันญูกับพระมหาชนกดีหลังจากนั้นก็สเสด็จกลับเข้าสู่กรุงมิถิลาเพราะไม่ได้บรรดาหมั่อมท ร, ราชสศวอกทั้งหลายฝ่ายพระราชาพระมหาชนกสเสด็จเข้าไปปัดทับอยู่ในป่ายมาผ่า์จึงเจริญในพิญญาสมาบัติให้เกิดได้ภายในเจ็ดวัน คำว่าพิญญาสมาบัติที่ลกหลานที่รักมีความรู้พิเศษคือหนึ่งสามารถแสดงฤทธิ์ได้เหอะเอินดินอากาศกันได้สองมีหูเป็นทิพย์แล้วก็สามสามารถรู้จิตคนได้ใครเขาจะนึกว่ายังไงก็สามารถจะรู้ได้แล้วก็สี่สามารถจะลึกชาญได้อย่างนี้เป็นต้น เป็นอันว่าเมื่อพระองค์จากพนางศรวลีไปแล้วก็ทําความดีอย่างนี้เกิดได้ภายในเจ็ดวันก็หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาสู่แดนมนุษย์อีกเพราะว่าสามารถห่อเหินใอากาศไปไหนก็ไปได้ตามชอบใจสําหรับพนางศรีวลีเมื่อสด้กลับนครแล้วพนางก็ยังทรงอะไรคือมีความลึกนึกถึงความรักในพระราศสาวเอ๋ ไมพระราชสวามีอยู่จึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นอกหลายองค์เช่นที่พระราชาสเสวยก้อนเนื้อที่สุนัขกินแล้วที่ไตร ก, กับเด็กหญิงแล้วก็ไตรกั บ, กกบนายช่างสอนนี่เธอมีความกระันอยู่จริงๆน่ารักมากแล้วก็บูชาได้ดอกไม้และของหอมเพื่อเป็นที่ะระลึกกับพระราชาสวามี กันต่อมาพระนางยินไทรงใจการอภิเศกให้ทีเขากุมารตาเชออรสครองเมืองเมธิราตามคำสั่งของพระมหาชนกส่วนพระนานเองก็ทรงบทเป็นฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้หญิงนี่แค่ ด, ดาบาศินีแค่าตาปาศินีนะ บทเป็นฤษีผู้หญิงคือบทนน่งผ้าหมน่องผ้าน้ำฝาดปราศจากความต้องการในการมีสามีหรือจิตใจไม่กังวลในทรัพย์สินและศักดิ์ศรีใดนๆนทั้งหมดสแสวงหาความสุขในการเจริญสมาธิตามที่หลวงปู่บอกมาแล้วเมื่อพิจนนานณาบทแล้วก็ประทับโยจะเฉพาะในพระราชวิทยาคนในสวน ส่วนก็ความจริงก็มีสภาพเหมือนป่าทรงทำกระสินแล้วก็บริกรรมจนบรรลุชานคำว่ากะสินเนี่ยโลกหลานที่รักกะสินนี่แปลว่าเครื่องหมายมีอยู่สิบอยา่างคือหนึ่งเขาถือดินเป็นนิมิตเพ่งดินจำภาพดินเรียกว่าปฐวีกะสิน สองเพ่งน้ำดูน้ำเขาเรียกว่าอาโปกสินสามดู ล, ลมเรียกว่ายกสินจำภาพลมสี่จำภาพไฟเรียกว่าเตเชกสินห้าจำภาพสีแดงเรียกว่าโลหิตกสินหกจำภาพสีเหลืองเรียกว่าปิตกสินปิตกะกะสินนะเปล็นสีนเหลืองแล้กวก็เจ็ด ดูสีเขียวเรียกวณีตะกศิลป์แปดดูสีขาวเรียกโอทาตะกศิลป์เก้าดูแสงสว่างเรียกอะโลกะศิลป์สิบดูอากาศเรียกวากาศกะศิลกะศิลป์สิบ อ, อย่างนี้ถ้าทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทรงฌาสมาบัติถ้าได้ทั้งทั้งได้ทั้งสิบอย่างคล่องก็เรียกว่า บรรลุอภิญญาตามที่พระมหาชนกได้เมื่อทรรมสินจนจบบรรลุเป็นฌานสมาบัติทรงตัวทั้งพระราชาพระหาชนกกดีและพระนางสิวลีคนดีพยายามปฏิบัติในสมณากิจคำว่าสมณากิจหมายว่าทาจิตให้มันสงบจากอารมณ์ที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบาปไม่ดี อารมณ์สงบจากความชั่วความชั่วทุกอย่างไม่มีในจิตทรงสมาธิแต่เวลาไม่เสี่ยงคลายใจเป็นสุขมีแต่ความดีแล้วก็ไม่ยอมให้สินด้วยความดีทั้งหมดด่างพร้อยแล้วก็ใจไม่ด่างไม่พร้อยใจก็เป็นสุขเมื่อสิ้นอายุต่างคนต่างก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหม นี่เป็นอันวา่าหลวงปู่จะบอกคาถามหาสเสน่กับลูกหลานก็บอกไม่ได้เสแล้ววันนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดและเวลาหนึ่งนาทีลูกหลานฟังเรื่องนี้แล้วก็จงจำเรื่องนี้ความสำคัญก็คือว่วาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระมหาชนกอัน ปรากฏว่าเป็นพร ะ, ะเป็นชาติที่พรองค์ทรงสร้างความเพียรอย่างดียิ่งก็เพราะผลแห่งความเพียรที่พระองค์ทรงมีอยู่เป็นปัจจัยให้พระองค์มีความดีมีความรู้ขณะที่แม่บอกว่าเคยเป็นลูกกษัตริย์เท่านั้นแหละ เราทรงตั้งใจศึกษาวิทยาการต่างๆทุกแข น, นงที่ครูบาอาจารย์สอนเพื่อหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเป็นกษัตริย์เมื่อเป็นกษัตริย์เข้าจริงๆก็เพราะอาศัยความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบรรดาประชาชนทําให้บรรดาประชาชนทุกคนมีความสุขแม้ว่ายน้ําอยู่มีความทุกข์แม้จะไม่เห็นฝั่งก็ไม่ละความพยายาม ถ้าแม้แม่คิดว่าวันนี้เรามีทุกข์ถ้าเราไม่ทิ้งความพยายามที่จะไหว้น้ําและทํางานต่อไปสักวันหนึ่งข้างหน้าพ้นความดีความสุขสะมาทั้งเราเอาลรมดาลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องราวของพระมหาชนกหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานยุ่มบ้างไม่มากก็ น, น้อยถ้าลูกหลานจะพยายามปฏิบัติตามพระมหาชนกตัว ก, ก็จะพงรู้ ว่าผลที่้องปู่พูดวันนี้มันมีความดีและความชั่วมีความจริงเป็นแบบการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอบันดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักทั้งหมดจงมีแต่ความสักสวัสิิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจัตุรพิตะพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขพะพระละปฏิภานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจะทุประการสำหรับเรื่องของพระมหาชนกขอจบพระอต่เงที่สวัสดี